งานที่เรากำลังทําตรงนี้คือยกมือสร้างความรู้สึกตัวให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทํำบ่อยๆทํำทีๆ ท, ทาให้มากอยู่กับมันอยู่กับความรู้สึกให้มากราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเข้ามาครอบความจิตใจเราเห็น ไ, ไหมฮะรู้จักล้จะปล่อยให้จิตใจของเราจมปลักอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อย่างนี้อีกนานแค่ไหน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 าสาธยายมนอย่างที่สีส่สม า, าสมาธินิมิตอย่างที่สี่เกิดสมาธินิมิตพวกเราเคยเคยฝันว่าไปตกนรกบ้างมห <c oughs> เคยฝันว่าขึ้นสวนรรค์บ้างไหม <c oughs> เอาเอาอย่างนี้ฝันว่าญาติของเราที่เราลักมากๆเลยนะตายไปเคยฝันไหม <c oughs> เคย <c oughs> อาการอย่างนี้เคยเจอไหม